วันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ยินดีในรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขจากลดแห่งธรรมที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงธรรมในวันนี้ที่จะามาแสดงนั้นก็คือเรื่องนัตติสันติปาลังสุ ข, ขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญและการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆ ต่อให้ได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ตามก็สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้ต่อให้ได้ยศได้ตําแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็ตามให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาจากักรพรรดิ ความสุขที่ได้จากยศเหล่านี้ก็สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้ต่อให้ได้รับรางวัลสรรเสริญเยินยอต่างๆได้เหรียญทองได้ชิงมงกุฎได้ชิงอะไรต่างๆก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ ต่อให้ได้สได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพภภชนิดต่างๆก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบนั้นที่เรียกว่าลถแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ทุกคน ไม่จำเป็นว่าจะต้องรวยหรือจนไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนสูงหรือเรียนไม่สูง<ม>ความรู้ทางโลกไม่ได้ทำให้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขทางใจได้<ม><ม>การเกิดในตระกูลสูงหรือต่า<ม>ก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุข ภายในใจได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมจะเป็นหญิงหรือเป็นชาย<ม>เป็นคนรวยหรือคนคนจนเป็นคนที่มีการศึกษาสูงหรือต่ำ<ม>ก็สามารถที่จะเข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุ้และนำมาเผยแผ่ ให้กับพวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้ ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือรถของความสงบรถของนัตติสันติปรังสุขขังนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้แต่เบื้องต้นสิ่งแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องมีก็คือความศรัทธา ควเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในการตัดสร่งของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งได้ทรงค้นพบความสุขที่เลิศที่ประเสริฐได้ด้วยตั์เองแล้วหลังจากนั้นก็นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ ปรารถนาที่จะได้ความสุขอันเลิศอันประเสริฐนี้แล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงสั่งสอนผู้ที่มีศรัทธาก็ต้องมีความเชื่อแล้วก็ศึกษาตามคำสอนฟังเทศฟังธรรมเรียนรู้วิธีของการสร้างความสงบสุขให้แก่ใจ เมื่อได้เรียนรู้วิธีการแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเมือม่อนำเอาไปปฏิบัติแล้วความสงบสุขของใจก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามลำดับจากน้อยไปหามากจากแบบชั่วคราวไปสู่แบบถาวร นี่คือเรื่องของความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พวกเราทุกคนนี้สามารถเข้าถึงได้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเราปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ได้เข้าสู่ ความสุขอันเลิศอันประเสริญนี้ความเชื่อเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ปรากฏขึ้นมาได้ความเชื่อเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการของการเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ พระถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้วิธีของการทำใจให้สงบว่าทำได้อย่างไรเมื่อเราไม่รู้จักวิธีเราก็จะไม่ปฏิบัติเมื่อเราไม่ปฏิบัติผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาก็คือศรัท ธ, ธาความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงค้นพบทรงตัดสรุพบความสุขอันเลิศอันประเสริฐนี่ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเมื่อทรงค้นพบแล้วได้พิสูจน์ด้วยพระองค์เองแล้วว่า เป็นความสุขที่เลือกที่ประเสริฐที่สุดที่ยมยืนถาวรที่จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดพระองค์ก็เลยนำมาวิธีของการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้หน้าที่ของพวกเราถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วเราก็ต้องศึกษา คำสั่งคำสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะพาให้เราได้เข้าสู่ความสุขอันเลื่อันป็นเสสนี้ mm hmm. เมื่อได้ศึกษาแล้วรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้าง mm hmm. ขั้นต่อไปก็คือต้องนําเอาไปปฏิบัติ mm hmm. เพราะถ้าเพียงแต่รู้เฉยๆแต่ไม่นําเอาไปปฏิบัติ รู้วิธีการแต่ไม่นำมาไปปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาผลจะเกิดได้ก็เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้เกิดจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวการศึกษานี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนรู้ทีรู้วิธีปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาก่อนถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้จักวิธีที่ถูกต้อง ถ้านำเมาไปปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกผลที่พึงจะเกิดก็จะไม่เกิดนั่นเองดังนั้นต้องศึกษาให้รู้ก่อนวิธีการสร้างความสุขความสงบทางใจนี่สร้างได้อย่างไรสร้างด้วยอะไรเมื่อรู้แล้วก็นเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอคือปฏิบัติอย่างเข้มข้นปฏิบัติแบบเต็มร้อยอปฏิบัติดีก็หมายถึงปฏิบัติแบบเต็มร้อยเวลาสอบนักเรียนเวลาสอบก็จะได้คะแนนเต็มร้อยเรียกว่าเวลานักเรียนคนไหนได้คะแนนเต็มร้อยอาจารย์ก็จะบอกว่านี่คนนี้เรียนดีเรียนเก่งปฏิบัติดี ปฏิบัติแบบถูกต้องตามวิัีวิชาการที่ได้ศึกษาได้ร่ำเรียนมาต้องเรียนต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มร้อยแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเมื่อมีสุปฏิปันโนมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการบรรลุถึงผลอันเลิศอันประเสริฐ ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอันนี้คือขั้นตอนของการที่เราจะเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจทำอย่างไรใจของเราถึงจะสงบได้<ม>ก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็ จะเข้าสู่ผลที่อันนั้นปเปิดได้แต่ละคนเวลามาปฏิบัตินี้ก็อาจจะปฏิบัติคนละขั้นคนละตอนก็ได้เพราะคนเรานั้นอาจจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาก่อนแล้วในอดีตชาติก็ได้ก็อาจจะทำให้สามารถข้ามขั้นตอนของการปฏิบัติได้ ถ้ายัางไม่ได้ปฏิบัติมาในอดีตชาติก็ต้องเริ่มต้นจากขั้นที่หนึ่งไปก่อนแล้วค่อยขึ้นไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามตามลำดับการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ใจเข้าสู่ความสงบได้นั้นก็มีอยู่สามขั้นตอนใหญ่ๆคือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการทำบุญทาทาน<ม>ขั้นที่สองก็คือการรักษาสีง ละงับการกระทำบาปทั้งปวงขั้นที่สามก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสติเพื่อให้เกิดความสงบเกิดสมาธิแล้วเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้เข้าสู่ความสงบอันยิ่งใหญ่อย่างถาวรนนี่คือขั้นตอนของการที่จะทำให้ ใจสามารถเข้าสู่ความสงบได้คนบางคนอาจจะมีพลังที่สามารถที่จะรักษาศีลได้แล้วก็บำเพ็ญจิตตะภาวนาได้ก็อาจจะไปเป็นนักบวชเลยถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ถือว่าได้ทำทานได้ทำบุญทำทานเพราะนักบวชนี้จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตา่าง ที่ตนเองมีไม่ต้องการทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับใจเพราะว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับใจเพียงอย่างเดียวมันให้ความทุกข์ความกังวลใจเพราะว่าเงินทองนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลามีก็สามารถซื้อความสุขต่างๆได้ แต่พอเวลามันไม่มีขึ้นมานี่ก็จะไม่สามารถซื้อความสุขต่างๆได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจงั<ม>้นเบื้องต้นสำหรับใครที่ยังอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆ<ม>ก็ควรที่จะยุติการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆเงินทองนี้มีไว้เพื่อซื้อ สิ่งที่จําเป็นต่อการดําำรงชีพก็คือซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีกันทุกคนเราต้องไปทํางานทําการหาเงินหาทองส่วนหนึ่งแล้วก็หาเงินมาเพื่อซื้อสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วดขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีถ้าเราหาเงินหาทองแล้วเพื่อเอามาใช้กับปัจจัยสีนี้<ม>ก็ไม่ถือไม่ถือว่าเป็นโทษเป็นภัย<ม>แต่ถ้าเรามีเกินมีเหนือมากกว่าเหนือใช้เหลือกินเหลือใช้นี่แล้วเราเอาไปซื้อความสุขต่างๆ ไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆเช่นไปกินไปดื่มอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องกินต้องดืม่มไปดูไปฟังไปเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราต่างๆของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแต่อยากจะอยากจะมีเพราะเวลาได้มาแล้วมีความสุขชั่วคราว การใช้เงินแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้เพราะจะติดกับการซื้อความสุขแบบนี้กันแล้วเมื่อติดกับการการซื้อความสุขแบบนี้ก็ต้องคอยไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เอาเงินทองนี้มาซื้อความสุขต่างๆ นี่คือสิ่งที่เราต้องทําเอาเงินส่วนนี้มาทําบุญทําทานแทนอย่าอย่าเอาไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าไปซื้อความสุขจากสิ่งของต่างๆเอามาทําบุญทําทานทําบุญกับเราก็ได้เราก็ต้องมีเงินเก็บสํารองไว้บ้างเผื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเราก็จะได้มีเงินสํารองนี้ไว้มา ดูแลได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งทาบุญกับตัวเราเอง <c oughs> เราต้องมีเงินสำรองไว้สำหรับการเลี้ยงชีพเพราะอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนและสังขารร่างกายของเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆ <c oughs> ต่อไปความสามารถที่จะทำมาหากินก็จะลดน้อยถอยลงไปรายได้ก็จะหดไป แต่รายจ่ายมันก็ยังคงเส้นอยู่หรืออาจจะเพิ่มขึ้นไปตามดัดชนีบริโภคตามเงินเฟอ้อต่างๆถ้าเรามีเงินเหลือจากการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยปัจจัยสี่ก็คิดถึงอนาคตบ้างคิดถึงเวลาที่มันไม่มีบ้างเวลาที่ไม่สามารถหาเงินหาทองขึ้นมาได้บ้างเราจึงมักจะมีกองทุนสำรองไว้กันทุกคนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาบุญทาทานให้กับตัวเรา แล้วถ้าเรายังมีเหลือมากไปกว่า น, นี้อันนั้นหละเป็นเงินที่เราควรที่จะเอาไปบริจาคไปช่วยสังคมช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือช่วยสนับสนุนองค์กรที่ทำคุณทาประโยชน์ให้แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นวัดก็ได้เป็นโรงเรียนก็ได้เป็นโรงพยาบาลก็ได้เป็นองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ที่ทำความดีที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายาเอาเงินไปใช้แบบนี้จะดีกว่าเพราะใช้เงินแบบนี้มันจะทำให้ใจไม่หิวกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากของฟุ่มเฟือยจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจจะมีความสุขที่เกิดจากการทาบุญทาทานทาให้ไม่ต้องไปดินน้นรน คอยไปหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆเพราะจะไม่ต้องเอาเงินไปใช้กับการซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆซื้อความสุขจากการทำบุญนี่ดีที่สุดเพราะการทำบุญนี้จะทำให้มีความสุขใจที่หล่อเลี้ยงจิตใจไปได้นานๆไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆมาเสร ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสแล้วแล้ก็จางหายไปเหมือนควันไฟปล่อยให้ใจอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียว ด, วดายเหวี่ยโวยกับความสุขแบบนี้ ก, <ม>ก็จะต้องไปซื้อมาใหม่ไปหามาใหม่อยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วจะต้องหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้สิ่งสิ่งเหล่านี้มัน จะทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราได้เท่าเดิมมันจะไม่สุขเราต้องหามาเราต้องได้มากกว่านั้นถึงจะทําให้เรามีความสุขเป็นมา <Yeah. S 1> นี่คือวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการใช้เงินในใ น, ในที่ไม่ถูกทางแทนที่จะมาช่วยทําใจให้สงบให้อยู่เย็นเป็นสุขกลับทําให้ใจหิวโหวยทําใจให้ yeah. ดิ้นรนกรวนกวายกระสับกระสายและนำไปสู่ความเสียใจความความผิดหวังความเศร้าซ้อยองหงอยเหงาเวลาที่ไม่สามารถที่จะมีเงินทองซื้อความสุขต่างๆได้อ น, นี้คือเรื่องของทานถ้าเรายังต้องใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเห็ียนวิธีแทนที่จะซื้อรูปเสียงกลิ่นรส ทานี้ซื้อข้าวของที่ฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราต่างๆเอามาทําบุญทําทานดีกว่าทําแบบไหนก็ได้ตามที่เราชอบไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทํากับศาสนาเพียงอย่างเดียวถ้าเราศรัทธาในศาสนาอยากจะทํานู่นบำรุงศาสนาเราก็ทําบุญกับศาสนาก็ได้ถ้าเราอยากจะสนับสนุนการศึกษาให้ให้ให ให้พัฒนาคนให้เป็นคนที่มีความรู้ความฉลาดแล้วก็สนับสนุนการศึกษาก็ได้้ะเรอยากสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้มียามีความสามารถที่จะรักษาพยาบาลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเราก็ทำได้รเราจะทำในรูปแบบอื่นก็ได้อยากจะช่วยสัตว์ที่จะถูกเอาไปฆ่าก็ได้เช่นปล่อยนกปล่อยปลา ถ่ายชีวิตหัวควายเป็นต้นการกระทำบุญเหล่านี้มันจะทำให้ใจมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความสงบในระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้ไม่ต้องไปดิ้นลนไปไปหาเงินหาทองมาแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปใช้หมดใช้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่ใหม่มาอยู่เรื่อยๆก็จะไม่สามารถที่จะ ไปปฏิบัติทำได้ไปทำจิตใจให้สงบได้เพราะไม่มีเวลาเราก็จะรักษาศีลไม่ได้เพราะเราเวลารักษาศีลนี่มันทำให้การหาเงินหาทองมันยากลาบากบางทีก็หาโดยวิธีไม่ถูกต้องก็มีชอโกงลักทรัพย์หลอกลวงเป็นต้นแต่ถ้าเราไม่ต้องมีความจาเป็นที่จะต้องหาเงินแบบแบบง่าย เราสามารถรักษาศีลของเราได้เพราะคนที่ทำบุญทาทานนี้จะเป็นคนที่มีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้ก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้ในเบื้องต้นพอรักษาศีลห้าได้ก็สามารถที่ขยับไปรักษาศีลแปดต่อได้เพราะการที่จะไปปฏิบัติจิตภาวนานี้จาเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลแปดเป็นอย่างน้อย ศีลห้านี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะสนับสนุนให้มีเวลาต่อการปฏิบัติได้เท่าที่ควร อ, อันนี้เบื้องต้นถ้าเรารักษาศีลห้าเราอาจจะมาภาวานาทำจิตใจให้สงบนั่งสมาธิได้เวลาครั้งสองครั้งเช่นเช้าก่อนจะไปก่อนตื่นขึ้นมาก็นั่งสักพักหนึ่งข้ามตอนก่อนนอนก็นั่งสักพักหนึ่งเราก็จะมีเวลาเท่านี้ แต่ถ้าเราอยากจะนั่งปฏิบัติทำนั่งสมาธิทั้งวันเพื่อทำใจให้สงบ mm hmm. เราจะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้น mm hmm. เราก็จะต้องหาวันที่เราว่างจากการทำงานเช่นวันหยุดทำงานเราก็มารักษาศีลแปดเพื่อห้ามไม่ให้ใจไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ mm hmm. ไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับกู้ครองไม่ให้ไปกินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายไม่ให้กินเกินเที่ยงวันไปแล้วเป็นต้นไม่ให้หาความสุขจากมหัศรรย บ, บันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ให้นอนมากเกินไปด้วยการนอนบนเตียงสำหราญเตีย <wick> ง <า S 2> ที่มีฟูกหนาๆเป็นต้นให้นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็ง เป็นไม้แข็งๆปูผ้าปูเสือ่อกเจะได้นอนไม่มากร่างกายพอเนหนื่อยๆก็จะหลับไม่ว่าจะนอนบนพื้นแบบไหนพอได้พักผ่อนพอร่างกายก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนพื้นถ้านอนบนฟูกนั้นนะมันสบายใจก็อยากไม่อยากจะลุกพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วแต่ใจยังอยากจะนอนต่อก็จะนอนไปอีกหลายชั่วโมงทาให้เสียเวลา ของการปฏิบัติไปแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมได้มันจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพราะเป้าหมายของการทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีนี่เป็นขั้นบันไดที่จะพาเราให้ไปสู่การได้มีเวลาให้กับการ บำเพ็ญจิตภ า, าวนาขั้นแรกเราก็บำเพ็ญสมถะภาวนาก่อนแล้วค่อยไปวิปัสสนาภาวนาขั้นที่สองคือความสงบสองขั้นด้วยกันขั้นสมถะภาวนานี้เป็นความสงบแบบชั่วคราวส่วนขั้นวิปัสสนาภาวนานี้เป็นความสงบแบบถาวรแต่เบื้องต้นนี้เราจะต้องทําสร้างความสงบแบบชั่วคราวก่อนด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิ ใช้สติผูกใจให้อยู่กับ <c oughs> อารมณ <c oughs> ์อารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบไม่คิดปรุงแต่งเช่นการใช้กรรมฐานพุโทโธพุโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก <c oughs> เวลาที่นั่งสมาธิ <c oughs> อย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆแล้วคิดเลื่อยเปื่อยถ้านั่งเฉยๆใจจะคิดเลื่อยเปื่อยแล้วจะไม่สงบ <c oughs> ถ้าอยากจะให้ใจสงบต้องผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ ของกรรมฐานอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วใจไม่ช้าก็เร็วก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาสําหรับความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบด้วยสติคือสมาธินี้จะสงบชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอจิตถอนออกมาจากสมาธิ ความสงบที่ได้ความสุขที่ได้ก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากที่จะให้ความสงบอยู่ต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญามาคอยกำจัดเหตุที่มาทำให้ความสงบหายไปจากจากการเข้าสมาธิ mm hmm. เหตุที่ทำให้ใจไม่สงบหลังจากออกจากสมาธิมาก็คือตันหาความอยากต่างๆนั่นเองเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่า สิ่งที่ตัณหาอยากได้ไม่ว่าจะเป็นราบยศเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนว้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันเป็นความความสุขแบบชั่วคราวความสุขที่ไม่แน่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันเป็นของที่เราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด ให้เห็นใจรักในสิ่งใจต่างที่ที่ความอยากต้องการแล้วจะทำให้ความอยากนั้นหายไปได้พอความอยากที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจถูกกาจัดไปใจก็กลับมาสงบอีกทีทีนี้ก็จะสงบแบบยั่งยืนถาวรโดยม่ที่ไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้สติอีกต่อไปอ น, นี่คือขั้นตอนของการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่พูะเจ้าได้สมทักษะรูวิธีการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆตั้งเริ่มต้นตังนั้นการทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาสมถะภาวนาคือนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิก็เจริญปัญญาวิปัสสนาภาวนาคอยกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอใจไม่มีความอยากของเหลืออยู่แล้ว ใจก็จะสงบตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดใจที่สงบตลอดเวลานี้เรียกว่นนานิพานเป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวรต่างกับความสงบที่ได้จากสมาธิเป็นความสงบแบบชั่วคราวในขณะที่เข้าสู่สมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จะค่อยจางหายไปเพราะความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาคอยกาจัด สอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้ล้วนเป็นอ น, นิจนนจังทุกขงังอนัตตาทั้งนั้นถ้ารู้ว่ามันนำไปสู่ความทุกข์ก็จะหา ย, หายอยากที่อยากก็เพราะความหนงหลอกให้ฮะหลอกให้คิดว่าไปหาความสุขกันแต่มันไม่รู้ว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวเดียว<ม>พอมันจางหายไปก็ทำให้ใจทุกขึ้นมา น, น, นั่นเองนี้หละคือวิธีการของการ ที่เราจะสามารถเข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงได้ด้วยการมีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอาหารหันตสาวกก็ดีแล้วก็นำมาไปปฏิบัติแบบเข้มข้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้ ความสุขในระดับต่างๆก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมามต้นๆก็ความสุขที่เกิดในจากระดับการทำทานตามมาด้วยความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลตามมาด้วยการความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิตามมาด้วยการความสุขที่ได้จากการเจริญปัญญาวิปัสสนาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่สุดคือพรานิพาน นี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็อพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้เพราะเวลาต่อไปนี้เราจะมาปฏิบัติกันเราจะมานั่งสมาธิกันเพื่อสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบจากการเจริญสติควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่จะนำใจให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุข ที่เหนือกับความสุขทั <Wit> ้งปวงการนั่งสมาธิจึงจำเป็นที่จะต้องมีสติสติคือการระลึกรู้ให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบอารมณ์ที่จะทาให้ใจสงบเราเรียกว่ากรรมฐานมีหลายแบบด้วยกันหลายชนิดด้วยกันแตที่เราใช้กันโดยทั่วไปก็คือใช้กรรมฐานที่เรียกว่าพุทธานุสติ อให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมชื่อของพระพุทธเจ้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องเงินเรื่องนี้ได้แล้ในที่สุดใจก็จะหยุดคิดได้พอหยุดคิดใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบบางท่านก็าจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกให้มีสติและเลิกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องก็ได้ ได้ทั้งสองแบบที่ปลายจมูกก็ดูลมเข้าลมออกเวลาลมเข้าก็ต้องสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาลมออกก็ต้องสัมผัสที่ปลายจมูกก็ให้รู้ตรงจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าลมออกต้องการให้ใจนิง่งใจอย่าเข้าออกตามลมใจยังไม่นิง่งถ้าดูที่หน้าท้องก็ดูที่หน้าท้องอย่างเดียวเวลาลมออกก็ท้องก็ยุบลงไปเวลาลมเข้าท้องก็พองขึ้นมา commencer. ที่เรียกว่ายุบหนอ่หนอพอง ได้ทั้งสองรูปสาสองแบบนี้พุโทโธก็ได้ดูลมก็ได้หรือถ้าใจยังฟุ้งอยู่ยังดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มากก็ใช้พุทใช้ธรรมานุสติคือใช้การสวดมนต์ก่อนก็ได้สวดคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าสวดบทสวดมนต์ที่เราจําได้จะสั้นหรือยาวก็ได้ไม่สําคัญแต่เขาให้สวดไปเรื่อยๆ ถ้าสั้ก็ต้องสวดหลายๆรอบน่อยถ้ายาวก็อาจจะไม่ต้องสวดหลายรอบแต่ต้องสวดไปเรื่ อ, อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าความคิดฟุ้งซ่านต่างๆเริ่มลดน้อยถอยลงไปจนสามารถกลับมาพุโทโธได้แล้วกลับมาดูลมได้เราค่อยหยุดสวดล้วเปลี่ยนมาดูลมแล้วมาพุโทโธต่อไปแล้วถ้ามีอะไรมาปรากฏมาม า, มาแทรกเข้ามาอาจจะเป็นความคิดหรืออาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นสีอาจจะเป็นเสียง อาจจะเป็นความรู้สึกของร่างกายเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้ผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเพียงอย่างเดียวอยากทิ้งกรรมฐานไปขณะที่นั่งสมาธิเราต้องการให้ใจนิ่งให้สงบตอนตอนนั่งสมาธิไม่ต้องการให้รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบให้ใจได้มีความนิ่งเมื่อใจนิ่งแล้วจะเกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ขึ้นมา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 ข่าวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีธนี้ต่อได้เลยอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบจะสงบก็ต้องนั่งให้ถูกวิธีเหมือนตอนนี้วันนี้ถ้านั่งเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยมันจเจริญสติให้มากระหว่างวันสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไป แล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พร<ฮ>ยาถาวาริวาหาปุราปริปุรเรนติสาขะลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปกิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมมิจโต สัพเพปุลเอนตูสังกะปาจันโทปนะราโสยธามลิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจัน u ุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีตีคายุโกภวะ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 จะได้คำตอบแต่ถ้ารอให้เลิกแล้วค่อยมาถามจะไม่ได้คำตอบเพราะไม่สะดวกอยากจะถามอะไรขอให้เชิญเชิญถามได้ตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่น้อมกลับนมัสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 2ง8 youtube ิบแพระสุชาติไลฟ์163 YouTube อรวีหนึิวิทยุออนไลน์7คลับเฮาส์ผู้รับฟังนาคุิหนร้ากุติ168รวม703ท่านเจ้าค่ะคำถามฝากถามจากผู้รับฟังนาคุติเจ้าค่ะการที่เราหาเงินไม่ใช่เพื่อสนองกิเลส ต, ตัวเองแต่เพื่อต้องการให้ครอบครัวมีความมั่นคงปลอดภัยแบบนี้จะเป็นการหาเลี้ยงเพื่อสนองกิเลสตนเองหรือไม่เจ้าคะ ก็มีส่วนเพราะว่าเราไปรักไปห่วงเขาทุกคนต้องพึ่งตนเองให้ได้จะดีกว่าแต่ถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆก็ช่วยเหลือเขาไปเป็นค้างเป็นคาวไปถ้าเราต้องมาคอยแบกเขาไปตลอดเราก็จะไม่สามารถไปทำหน้าที่ของเราได้การที่ทำบุญกับวัดหรือองค์กรการกุศลต่างๆแต่ไม่ได้รู้สึกอิ่มใจ แบบนี้จะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่เป็นหรอกก็บุตรได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ความรู้สึกที่ชื่นชมยินดีเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ทํากับสิ่งที่เราชอบทําก็ได้แต่าบางทีถ้าเราทํากับสิ่งหรือบุคคลที่เราชอบทําเราจะเกิดความรู้สึกปลื้มปิติขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นของแถมเป็นของแถมแต่บุญนี่ได้เท่ากันจะทํากับใครก็ได้ พอเราเอาชนะความตันอีของเราชนะความโลภของเราอันนี้ได้บุญเท่ากันได้ความสุขใจเท่ากันแต่ความเพิ่มบุติก็ต้องแล้วแต่ว่าเราทํากับบุคคลใดถ้าเราทํากับบุคคลที่เรามีความชื่นชมยินดีเรามักจะรู้สึกมีความสุขมากมีเพิ่มมีความเพิ่มบุติกมากแล้วในขณะเดียวกัน เมื่อได้ช่วยเหลือลูกน้องหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากกลับรู้สึกอิ่มใจแบบนี้สาเหตุเพราะอะไรเจ้าคะก็เพราะเราชอบแบบนี้ไงเราชอบช่วยเหลือคนแบบนี้แล้วเราเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเห็นเขากำลังหิวข้าวแล้วเราไปซื้อข้าวให้เขากินเราเห็นรอยยิ้มของเขาที่เกิดจากการได้กินข้าวนี้มันก็ทำให้เราเกิดความเพื่มปิติขึ้นมา ่ถ้าเราทาบุญกับวัดบางทีเรายังไม่รู้ว่าเงินที่เราถวายไปนี้ทางวัดจะไปใช้อะไรบ้างเราก็เลยอาจจะไม่เกิดความเพิ่มปิติขึ้นมาจุดสมดุลระหว่างทางโลกและทางธรรมอยู่ตรงไหนเจ้าคะไม่มีหรอกจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งจะดีกว่าอย่าเยียบเรือสองแคมนะเดี๋ยวขาฉีเลือกเอาทางใดทางหนึ่งอยากจะไปทางธรรมก็ไปทางธรรมอยากจะไปทางโลกก็ไป ไปทางโลกแต่ไปทางโลกก็ต้องมีธรรมคอยช่วยสนับสนุนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมถ้าเราอยู่ในทางโลกอย่างน้อยเราก็ต้องมีศีลห้าแล้วเราต้องมีพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุรีตาอุเบกขาต่อคนทั้งหลายทั้งปวงมีการทําบุญทําทานช่วยเหลือกันอันนี้ทางโลกกับทางธรรมไปด้วยกันได้แต่ถ้าจะออกไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญานี้อันนี้ต้องไป ต้องแยกทางกันไปไปด้วยกันไม่ได้ใน ต, ตอนต้นอาจจะทำได้ช่ว ง, งแรกๆเราอาจจะปีกหาวันหยุดวันสองวันแล้วไปไปอยู่วัดช่วงใหม่ๆอาจจะทำได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะไปบ่อยขึ้นมากขึ้นนี้มันในที่สุดก็ต้องทิ้งทางโลกไปคำถามจาก YouTube อขอประทานโทษเจ้าค่ะคำถามจาก Facebook เจ้าค่ะคุณประภยัยมีสองคถามคาถามที่หนึ่ง เมื่อจิตสงบเป็นอุเบกขาแล้วมันจะเกิดปัญญาพิจารณาเองโดยอัตโนมัติถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับไม่ถูกครับการจะเกิดปัญญานี้ต้องรอออกจากสมาธิเราต้องศึกษาศึกษาใจลักณเช่นศึกษาว่าร่างกายเราเที่ยงไม่เที่ยงมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเป็นเหมือนกับไปโรงเรียนปัญญานี้เหมือนกับการไปเรียนหนังสือแต่การเข้าสมาธินี่เป็นการเ ป, เป็นการพักผ่อน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน<ม>ก่อนจะไปโรงเรียนแล้วก็ต้องพักผ่อนกินข้าวหลับนอนให้มีกำลังก่อนแล้วพอเราเตื่นขึ้นมาล้วก็ไปโรงเรียนไปเรียนวิชาต่างๆคำถามที่สองก่อนจะไปถึงบ้านหลังสุดท้ายที่เป็นที่อยู่อย่างถาวร อ, อะไรคือสิ่งสุดท้ายที่ควรจะละวางทิ้งมันครับไปถึงนั้นแล้วก็จะรู้เองดีกวกาพูดตอนนี้ก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไร ฟังแลวอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจได้เราก็ทิ้งไปเป็นขั้นๆไปตอนต้นเราก็ทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวไปก่อนไปบวชแล้วเราก็ค่อยไปทิ้งยศฐาบรรดาศักดิ์บางคนมาบวชแล้วยังไปแสวงหายศยศถาบรรดาศักดิ์อยู่หาลาภหายศอยู่ก็ต้องสละสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ขั้นต่อไปก็ต้องสละร่างกายสละเวทนา จะละอารมณ์เนี่ยมันถึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ในที่สุดคาถามจาก Youtube พระสุชาติไลฟ์เจ้าค่ะการที่เราละความอยากแล้วสามารถเข้าสู่นิพพานได้เลยหรือต้องละความยึดมั่นถือมั่นด้วยครับมันนี่ก็มาด้วยกันะเป็นพวงเดียวกันความยึดมั่นถือมั่นความหลงความอยากนี่มันเป็นทีมงานมันไปด้วยกันเหมือนรถยนต์เนี่ยมันไปทั้งล้อมันไปทั้งคนขับมน คบชุดควรวางใจอย่างไรหรือใช้ธรรมะข้อไหนเมื่อทางานกับทีมงานหลายคนต่างแผนกแต่มีบางคนไม่ให้ความร่วมมือหรือส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดและภาพรวมของงานล่าช้าจนทำให้ตัวผมเองนั้นต้องถูกตำหนิไปด้วยครับก็มองคนว่าเป็นเหมือนผลไม้ก็แล้วกันมีคนหลายชนิดด้วยกันมีส้มมีกล้วย มีมารารคอมีสปปรรพรสเราจะเอารถเดียวเอาอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องนอกจากว่าเรามีมีความสามารถที่จะเลือกเราก็เลือกเอาถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ชนิดเดียวเวลาใครมาสมัครงานกับเราเราก็เลือกเอาแต่ผลลัพธที่เราต้องการได้แต่ถ้าเราต้องไปอยู่กับเขาเพราะเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องทำใจทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันแล้วก็มีเหตุมีผลที่อธิบายให้คนอื่นเข้าฟังได้ ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาว่ามันไม่ได้เกิดจากการกระทําของเราเป็นต้นพอเราต้องอยู่ทํำร่วมงานกับคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะช้าบ้างไม่มีความสามารถบ้างไม่มีความเข้าใจบ้างอะไรทํานองนี้ก็อาจจะทําให้ผลงานล่าช้าหรือไม่เกิดผลขึ้นมาก็ได้แต่ข้อสาคัญเราอย่าบกุกรองในตัวเราเองก็แล้วกันในหน้าที่การงานของเราทําให้ดีที่สุดถ้าเขายังไม่พอใจกับคําตอบของเรา เขาจะไล่เราออกก็ต้องทำใจเราก็อยู่ในโลกของไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าฟังทำแล้วละลึกถึงอรหันตพุทโธสงบเย็นได้ไหมเจ้าคะ่ะก็ลองทำดูสิของนี้ถ้าสงสัยยังไงก็ลองทำดูพิสูจน์ได้คำถามจากผู้รับฟังนากกุฏิเจ้าคะ่ะ ชีวิตมนุษย์เราเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากตัวเรากําหนดเองหรือบุญกรรมเก่าลิกิตมาไว้แล้วคือเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมชาติของร่างกายไม่มีใครกําหนดนะถ้ามาเกิดแล้วร่างกายพอได้ร่างกายแล้วต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนล้วทำบุญมามากน้อยเพียงไรทำบาปมามากน้อยเพียงไรพอมาเกิดก็แก่เจ็บตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน ผมคนริมาณก็แก่เจ็บตายเหมือนกันสําหรับร่างกายถ้ายังไม่อยากจะแก่เจ็บตายก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเองส่วนเมื่อเกิดแล้วจะจะสุขจะทุกข์มากน้อยต่างกันนี้เรื่องของบุญของบาปได้จะรวยหรือจะจนนี้อานจะเป็นเรื่องของของบุญของบาปที่เราทํามาแต่เรื่องของร่างกายนี้เหมือนกันทุกคนมีอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นทำมาจากดินน้ําลมไฟ เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องต้องตายไม่ช้าก็เร็วไม่มีตัวตนอันนี้เหมือนกันทุกคนคำถามจากเฟ e บุ๊กเจ้าค่ะ ถ้าสติมีมากขึ้นเราจะไม่รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวไม่กลัวไม่วิตกกังวลนอกเหนือจากความโลภความโกรธความหลงที่ลดลงเราสามารถวัดได้ใช่ไหมเจ้าคา ว, ว่าสิ่งที่เรารู้สึกไม่เหงาโดดเดี่ยวนี้เนี่ยเป็นสติที่เรามีเพิ่มขึ้นมันก็เป็นผลที่เกิดจากการสติที่ทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งสงบความเหงาเศร้าส้อยว้าเหว่ก็จะหายไป สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความสุขใจอิ่มใจสบายใจมีโยมอยากจะถามคําถามหรือเปล่าใครอยากจะถามถามไหมมีคําถามหรือเปล่าเอาส่งมาแล้วเหร อ, อเลิกคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาดฝังใจวิธีที่ดีที่สุดคือต้องทําอย่างไรบ้างครับใช้พุโทโธลบมันออกไปจากใจ เคยถึงในเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็พูโทโธพูดโธพูดโธไปสักพักเดียวแล้วก็ลืมเรื่องที่ไม่ดีไปตอนนี้โยมเริ่มงานที่ใหม่ทํางานร่วมกับเพื่อนๆนบริษัทชาวจีนเจ้าค่ะหนูทํางานเป็นล่ามจีนฝ่ายบั ญ, บญชีส่วนมากเนเจอร์ของคนจีนจะมีความใจร้อนสักนิดหนึ่งรบกวนขอวิธีจากพระอาจารย์เพื่อไม่ให้ตนเองใจร้อนตำ่ำ เพื่อนร่วมงานเวลาที่โดนเล่งงานหรือโดนอารมณ์ไม่ดีมากระทบเจ้าค่ะเราก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจเราพยายามให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำอยู่หรือถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้มีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจล้วใจเราจะเย็นใจเราจะมีหลักยึดจะไม่ไหลไปตามกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆ ต, ต้องฝึกสติให้มากๆ ชีวิตเจริญก้าวหน้าหรือตกทุกข์ได้ยากเกิดจากการกระทําของเราในชาตินี้เองหรือเกิดจากบุญกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ในชาตินี้เจ้าคะก็มีทั้งสองอย่างบุญเก่าบาปกรรมเก่ามันก็มีส่วนที่ทําให้เราดีหรือไม่ดีแล้วบุญบุญใหม่ที่เราทําในชาตินี้หรือบาปใหม่ที่เราทําในชาตินี้ก็มีส่วนเช่นไปลักขโมยอาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางก็ได้ ถ้าเราไม่ไปลักขโมยเราก็จะไม่ถูกเขาจับไปติดคุกติดตารางแล้วมันมันมีทั้งสองส่วนบุญเก่าบาปเก่ากับบุญใหม่บาปใหม่ที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็มีส่วนที่จะทําให้ชีวิตเราขึ้นหรือลงได้นิพิทาความเบื่อหน่ายในทางวิปัสสนาคืออย่างไรเจ้าคะคือเห็นทุกข์ไงเห็นทุกข์ในสิ่งที่เราเบื่อพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะเบื่อหน่ายขึ้นมา หนูเคยนั่งสมาธิหนึ่งครั้งเมื่อเดินสิงหาพระอาจารย์บอกว่าอย่าเหยียบเบรกให้ปล่อยไปแต่หนูยังทำไม่ได้เมื่อกลับมาญี่ปุ่นก็เอามาฝึกต่อโดยการกำหนดจิตทำสมาธิให้อยู่กับตัวในขณะใช้ชีวิตประจำวันพอจะนอนก็ตั้งสมาธิจนหลับแบบไม่รู้ตัวบางทีตอนนั่งสมาธิก็ดับไปแบบไม่รู้ตัววันนี้หนูนั่งได้นานความรู้สึกปวดหลังหายไปในขณะนั่งสมาธิ รู้สึกว่ามือที่ประสานกันบวมใหญ่ทั้งหน้าทั้งตัวจนไม่สามารถดึงมือออกได้จนเมื่อพระอาจารย์บอกให้ออกจากสมาธิอาการเหล่านั้นจึงหายไปไม่ทราบว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรเจ้าคะออมันเป็นปกติของการนั่งสมาธินั่งกายมันก็อาจจะเป็นอาการต่างๆขึ้นมาได้เราไม่จาเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรให้รู้ว่า ม, ม, มันไม่เป็นอันตรายกับเราเราไม่ต้องไปสนใจ ถ้าเราสนใจอยู่ับการภาวนาของเราไปเดี๋ยวพอเราเลิกภาวนาอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมันก็จะหายไปเองเราสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการจดจ่อกับทุกเรียบท้าหากจิตว่างก็ภาวนาบุทโธเช่นจะช่วยให้เวลานั่งภาวนาเกิดสมาธิได้มากขึ้นหรือไม่เจ้าค่ะถูกต้องเราถ้ามีสติมากวเวลามานั่งใจก็จะไม่ลอยไปกับความคิด ไม่ไปรอยกับความรู้สึกของร่างกายหรือของอะไรต่างๆมันก็จะอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องถ้ามันมีความต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ความสงบได้ฉากสุดท้ายเรื่องพระพุทธศาสนาโลกพระพุทธเจ้าปลอบใจพระอาห น, น์ว่า เราอยู่ทุกที่อยู่ในน้าอยู่ในลมอยู่ในพื้นดินประโยคนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดเจ้าค่ะ อ, อ, อย่าไปเอาเรื่องภาพยนตร์มาเป็นเป็นสาระเลยแล้วแต่คนแต่งคนผู้กำกับคนเขียนบทบางทีก็เขียนไปตามเพลเจอร์ไปตามความรู้สึกนึกคิดต่างๆอย่าไปถ้าอยากจะรู้ความจริงต้องไปอ่านพระไตรปิฎกอันนี้ไม่รู้ข้ามาจากไหนก็ไม่รู้จินตนาการขึ้นมา ผมซื้อเสื้อแต่โอนเงินเลยเวลานิดหน่อยแต่ไม่คิดจะคดโกงถ้าคนขายไม่ว่าอะไรแบบนี้ถือเป็นการซื้อขายโดยสุจริตใหม่ครับหมายถึงยังไงโอนเงินเกิน เ, นเวลาเหมือนว่าโอนเงินช้าแบบอาจจะข้ามวันไปอย่างนี้เจ้าคะ่ะแต่เขาไม่ได้เจตนาโกงเจ้าคะ่ะก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีเจตนาก็ไม่โกงเป็นเหตุสุริสัยก็ก็โอนเพิ่มให้้องก็ได้ถ้ามัน ถ้าเราคิดว่าเราเราเราให้เขาไม่ครบเราก็โอนแต่มาให้มันครบให้เสื้อน้องไปแต่เสียดายเลยขอซื้อคืนเขาก็ขายคืนให้โดยไม่ว่าอะไรผมแบบนี้ผมผิดศีลไหมครับไม่ผิดหรอกถ้าเราขอซื้อแล้วเขาขายก็เป็นการซื้อขายไปเวาลาเนี่ย มีใครอยากจะถามไหมคําถามอย่ามาถามตอนที่เราเลิกนะเพราะไม่สะดวกเพราะไม่มีมันไม่มีมอยเสียงไม่ค่อยดังพูดเราต้องใช้กํำลังมากถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวจะขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ